วันนี้ขึ้นวิธีต่อนในการศึกษาพระพิธรรมเออไปดูในหลักสูตรในจุระเอกท่านยกในปัญจังกุตระภบาลีปัชิเมภิกเวธรรมมาสัตธรรมสัสธิติยาอาัมโมสายะอนันตานายะเป็นต้นทั้งหมดท่านบอกว่าดูก่พิภสูษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้มีความสนใจในการสดับตรับฟังจดจำพระไตรปิฎกอัตถกถาประการหนึ่งเออตรงนี้ไปไปตรงกันในข้อของว่าฟังทำโดยเคารพเนียฟังพระไตรปิฎกอัตถกถาเนี่ ย, ฟ, ยฟังแบบไหนยังไงเออการฟังแบบเคารพรู้ไหมฟังไง ห, หนึ่งตั้งจิตตั้งจิตในการฟังนั้นไม่ให้อกุศลไม่ให้อกุศลและทำเข้าสอลคตในขณะฟัง คนถ้าฟังด้วยจิตที่เป็นกุศลนะที่งประกอบไปด้วยสติและสามปชัญญะในที่นั้นก็มีหิโธตปะเต็มตัวเลยใช่ไหมในการที่จะสดับตรับฟังวัสดธรรมนี่เขาเรียกฟังธรรมโดยเคารพทีนี้ถ้าหากจิตเป็นอกุศลในขณะที่ฟังวัสดธรรมเนี่ยในขณะนั้นชื่อว่าฟังรธรรมโดยไม่เคารพนึคือถ้าบาปเกิดขึ้นในขณะฟังใช่ฟังวันนธรรมได้ไม่เคารพคือไม่เคารพใครไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่เคารพว่าธรรม ไม่เคารพความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ไม่เคารพนนั่นแหละคือไม่เคารพมองไหมนี่แหละคือมันโทษไงโทษของพระศาสนาจะเสื่อมโทษของพระศัทธธรรมจะจิตจะลางเรือนจะถอยออกจากพระศัทธธรรมก็ตรงเนี้ยตรงที่ประการแรกเลยคือฟังพระไตรปิฎกอัตฉริยด้วยไม่ไม่เคารพน่าคิดเงี้นะ เรื่อ น, นี้ที่ตึกเรียนทำมาให้กันนี่มันโดยมากมันผิดบ้องถูกอยู่เงี้ยเออท่านในทั่วไปท่านจะบอกว่าเงี้ยโสดเนี่ยนะเงี้ยโสดลงฟังตั้งจิตรับรู้อะไรนี้เป็นต้นเนี่ยคือฟังให้ได้สุดตาเมื่อยานเนะียฟังแล้วให้ได้ให้ได้สุดตาให้ได้ความทรงจําถ้าเมื่อความทรงจําเกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยอุตสาหะเกิดวิริยะเกิดฉันท่าเกิดอย่างนี้เป็นตนน้นนะนะถ้าอย่างเงี้ใช่ ยิ่งฟังยิ่งท้อยิ่งฟังยิ่งหดหูเสียเลยเสียเลยและประการต่อมาเลยนะมีความสนใจในการศึกษาเรา่เรียนพระตพไตรปิฎกอรตถกถาด้วยความเคารพคือเรียนธทรำรด้วยความเมตตทุกครั้งที่ตรึกในเรื่องของการเรียนในการนั่นก็นได้จิตที่ที่เป็นกุศลนัยา น, นะสมบูรต์เป็นอย่างดีว่างั้นเถอะในลักษณะเช่นนั้น ส่วนกายวาจาก็นอบน้อมอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหากจิตเป็นกุศลที่มันกระด้างว่าจิตเป็นบาปก็แค่นั้นเองเรื่องนี้ระวังมากนะเพราะพวกเราเป็นปุตุชนนะครับเหมือนกับการที่ว่าจะทําภาชนะเช่นในหนาที่จะเหมาะสมแก่คุณค่าของพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าคิดค้นมาสองเสีสยสงไข่นะธรรมะนั้นไม่ได้เป็นของธรรมดาเนอะใช่ไหมคือพระพุทธเจ้า เปิดทางคิดค้นอะไรไว้เรียบร้อยแล้วคือสมบูรณ์ที่สุดแล้วงามในเบื้องต้นท่ามกลางเลยที่สุดเนี่ยแต่ทําไมพวกเราเวลาศึกษาพระธรรมกันยิงไม่ได้ผลใช่ไหมที่ไม่ได้ผลนั้นเน่ยเราผิดพลาดนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าผิดให้ <c ười> คิดเลยว่าเรานั่นแหละผิดพลาดเราตรึกผิดแล้วคิดผิดแล้วฟังผิดคือสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมก็ไปฟังใช่ไหมสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนก็ไปฟังเนี่มันผิดตั้งแต่แรกแล้วเรียนนี่ก็ไม่ได้เรียน ด, ยด้วยความเคารพอีก แล้วประการต่อมาก็คืออะไรประการที่ส ม, มีความสนใจมีความทรงจําข้อธรรมที่สําคัญในพระไตรปิฎกอัจถริยไว้ประการหนึ่งจําโดยเคารพเนี่ยนะจำธรรมเนี่ยจำพระไตรปิฎกอัจถริยหัวข้อธรรมที่สําคัญที่จะเป็นปัจจัยเหมาะแก่อัธยาสายัยที่สติปัญญาจะจําได้จําลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกจําโดยความเคารพจะเจริญรุ่งเรือง ประการที่4ี่คืออะรพิจารณามีความสนใจพิจารณาเนื้อเนื้อความข้อธรรมที่สําคัญอันตนทรงจําไว้นั้นๆว่ามีความหมายอย่างไรโดยถูกต้องประการนคือเมื่อทรงจําได้แล้วให้สังเกตดูไว้ว่าให้จําออกมาก่อนนะีการศึกษาตามพระไตรปิฎกตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องจําออกมาจําออกจากตำราเอามาใส่ไว้ในความทรงจํา แล้วจึงค่อยตรวจสอบตรึกพิจารณาพระธรรมนั้นด้วยความเคารพนี่เขรียกไตรตรองไปตรงเลยครับว่าจาที่แรกคือเข้าไปนั่งใกล้ใช่เงียโสดลงสดัตตั้งจิตรับรู้เนี่ยแล้วก็เกิดฉันทะเกิดอุตสาหเกิดความเพียรขึ้นมาเนี่ยเนี่ยต่อมาก็คือว่าเริ่มทรงจำแล้วก็ไตรตรองใช่ไตรงเนี้ยเริ่มไตรตรองตรงเนี้ย จะมาตามลําดับนะการศึกษาพระธรรมเชงนประการที่หสุดท้ายก็คือว่ามีการปฏิบัติธรรมที่พิจารณาแล้วด้วยความเคารพประการที่หมีความสนใจปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆเพื่อเพื่ออะไรเพื่อประสบธรรมและอัตธรรมรดและอัทธรศประการหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งตรวจสอบตรึกพิจารณาพระธรรมเป็นอย่างดีทุกวันเนี่ยให้สังเกตดูไว้ล้ลวพวกเราปฏิบัติทำไเราจึต้องสังเกต บางทีเราไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากเลยนะมีใครบอกฟึดเอาเลยนะเอาเลยล่ะพอบอกว่าเอา้ากําหนดอย่างนี้อย่างนี้ไม่เคยตรวจเลยว่าอัดและพยัญชนะของพระธรรมนั้นเป็นอย่างไรไว้ใจคนสอน <c oughs> แล้วมันต้องแก้ไขกันอยู่นี่แหละอันนี้โดดลงไปในเหวแล้วขึ้นมาอยู่ปากเหวใหม่ง่ายกว่า <c oughs> ก็เพี้ยนผิดก็เหมือนเอาเอาทรายอะแต่น้ํามันเอาเอาเอาเอาเอาน้ำเอาน้ำอุ่น ไปหยอดในทรายแล้วก็คันทรายเพื่อหวังน้ํามันจะได้น้ํามันไหมจะได้น้ํามันงาไหมอันนี้ในพระไตรปิฎกเปรียบอย่างนี้เลยนะครับพระพุทธเจ้าเปรียบเองนะอันนั้นในมุงทีคณนิกายมหาปรินิพานสูตรอันนั้นที่ไปถามพรออะไรต้องการอยากจะทราบว่าใครกันแน่เป็นพระละหันปุรณาคัสปามคคิรโคสารอาอชิตาเกศสกขมพลสัญชัยเวรับุตรทุกคนต่างก็บอกว่าตนเองเป็นพระละหันใช่ไหม ก็ไม่มั่นใจก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วใครล่ะคือเป็นพระลัหันเพราะยังไงพระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วตนเองจะได้เข้าหาท่านพูทนั้นโดยวัตถุประสงค์คือตนเองจะได้บรรลุเพราะพทะเจ้าจึงบอกบอกว่าท่านสอนอริยมรรคมีองค์แปดหรือเปล่าท่านปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดหรือเปล่าศาสดาเหล่านั้นี้ยถ้าไม่ได้สอนอริยมรรคมีองค์แปดไม่ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด จะไม่มีสัมมนาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะไม่มีพระโสดาบันสกาตาคาอนาคาและพระอาหารหันในในในคำสองท่านพูดนั้นนะและคนที่จะประกาศบอกอริยามากมีองค์แปดได้มีคนเดียวเท่านั้นที่จะเปิดเผยตรงนี้ได้คือพระพุทธเจา้านั่นนะ่ะคือการปิดทางเลยนะปิดทางข้อปฏิบัติของลัทธิอื่นหมดเลยนะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ว่างเปล่านี่เป็นอย่างนั้นนะครับคําสอนของพุทธเจ้าชัดเจนจริงๆต้องยอมเลยแหละ ไปทางไหนติดหมดนะที่อุปมาว่าโดดลงเหียวกับขึ้นมาใหม่เนะี่ยยังง่ายกว่าการปฏิบัติผิดนยะเพราะอะไรรู้ไหมสมมติถ้าเราปฏิบัติในเดินแนวในทางที่ผิดเนะี่ยลองคิดดูว่าจิตที่คิดเนะี่ยจิตที่คิดผิดแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละวินาทีมันกี่โกดมันจะสั่งสมสักเพียงใดแล้วกวดจะถอนได้ <laughs> ยากจริงๆอะไม่มีอะไรยากเท่ากับการถอนความรู้สึก ออกจากไอ้ที่เคยปฏิบัติผิดแล้วมาเพื่อจะทําให้ถูกอะ่ะไอ้เพราะทำให้ถูกก็ทํายากอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไอ้ทาให้ถูกเนะี่ยยังยากอยู่แล้วไอ้นี้ยังไปหลงผิดเขาอีกแล้วยังไปติดในข้อปฏิบัติที่ผิดกว่าจะลาผิดแล้วมาเดินถูกเนี่ยมันเหมือนยังไงรู้ไหมเรามีเงินใช่ไหมมีเงินในการที่จะเดินทางเนี่ยเป็นก้อนสุดท้ายแต่เราทุ่มเดินทางผิดไปถ้าเหลืออีกครึ่งหนึ่งพอจะมาเดินถูกเนี่ยมันจะต้องหาเงินอีกครึ่งหนึ่งมาสะสมนะ มันก็ต้องมาสร้างฐานะใหม่เพื่อจะมีเงินมีทองเสื้ออาหารเพื่อจะเดินให้ถูกมันมันมันต้องดูว่ามันมันต้องดูว่าจริงๆแล้วเนะี่ยมันมันอะไรทําไมถึงคืออย่างนี้ต้องดูปุพกรรมนะต้องดูหลายๆอย่างแล้วก็ต้องดูด้วยว่าที่พระพุทธเจ้าทําอย่างนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ทําอย่างนั้นเนี่ยพระองค์จิตท่านคิดยังไงอ่าถ้าต้องการชัดเจนต้องไปดูในไหนใช่ไหม ต้องไปดูในเทวทาวิตกสูตรหรือต้องไปดูในปาสราสิสสูตรถ้าไปดูในนั้นจะชัดว่าที่ท่านทำหกปีนั้นน่ะเป็นประโยชน์ในการบ่มอัยาศัยอย่างยิ่งใช่ไห ม, ม, ไหมเจนะ้นะท่านท่านเพียนน่ะนในขณะที่ท่านเทียนข้อปฏิบัติอย่างนั้นน่ะแต่ท่านไม่เคยตรึกเวรทางด้านการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเลยอะ เอาสิมันมันต่างกันเลยนะครับต่างกันเลยคืออัตฉยาสายแห่งการบรรลุปเป็นพระหลานของท่านเนะี่ยมีตั้งแต่เสียสงไข่ที่แล้วแล้วเนะ่ยแล้วท่านจะบรรลุปเป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไใช่แต่ท่านต้องการบรรลุแบบประเภทเป็นพระพุทธเจ้าไงจริงจริงต้องนานขนาดนะั้นเพราะถ้าจะบรรลุแบบเร็วๆเนะี่ยง่ายมาก เพราะว่าแค่แค่สองสงไขยก็ได้เป็นพระพระปฏิเยรพรพุทธเจ้าแล้วสองอสงไขยนี่ต้องต่อมาอีกสองนะสองไม่ใช่สองวันนะครับสองอสงไขยนี่ไม่ใช่สองวันคืออย่างเราเนี่ยถ้าผิดเนี่ยมันที่มองตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมปัญญาเราบมไม่ถึงทันต้องเข้าใจตัวเองมันต้องเข้าใจโครงสร้างกรรมที่เราได้มาสติปัญญาที่มีอยู่ณวันนี้ เหมนันนทางไม่องบกนทางเองอันนี้ทางมีอยู่แล้วทไมเราไม่เดินเราเดินตามทางที่มีอยู่น้ไเราไม่เดินางตรงนี้ตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกเลยนะบอกว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเนี่ยประเภทอะไรนะถ้าดูในดูนี้ตอนตอนท้ายพระเจ้าตรัสเลยบอกดูก่อนพิสษุนทั้งหลาย ก็บอกว่าพระตัดเดี๋ยวจะขอขอตรงนี้นิดนึงนะกามคุณทั้งห้าเนี่ยพระองค์ตัดว่าหมู่เนื้อเป็นอันมากนี้เป็นชื่อของหมูสัตว์ทั้งหลายคือพระองค์บอกดูก่อนพิกษจทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมูเนื้อเป็นอันมากนั้นจึงถึงความเจริญมั่งคั่งล้นหลามแม้ฉันใดดูก่อนพิกูจทั้งหลายข้ออุปมานี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันแท้มาจากตรงไหนมาจากตรงที่ว่า พระพุพทธเจ้าตรัส บ, บอกว่าดูก่อนวิกตุลทั้งหลายมีหมู่เนื้อเป็นอันมากพากันเข้าไปอาศัยบึงใหญ่ในป่าดงอยู่ยังมีบุรุษคนหนึ่งปรารถนาความพี่นาฏประสงค์ความไม่เกื้อกูลไข่ ค, ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแก่หมู่เนื้อนั้นเขาก็ปิดทางที่ปลอดภัยเสียคือปิดทางที่ไม่สะดวกก็ไปได้ตามชอบใจของหมู่เนื้อนั้นเสียคือเปิดปิดทางเลยเปิดทางที่ไม่สะดวกเข้าไว้เพราะเปิดทางที่ไม่สะดวกเข้าไว้ก็วางเนื้อต่อ ตัวผู้เขาไว้เนื้อต่อที่เป็นตัวผู้เนี่ยมามาวางเขาไว้เพื่อต้องการจะฆ่าจะให้พวกเนื้อเหล่านี้หลงอะ่ะวางเนื้อต่อตัวเมียวไว้เป็นต่อเขาไว้แล้วก็ไอ้ประเภทดักกลับหรือว่ามีกับดักทิ้งเขาไว้งั้นดูก่อนพิกสุกหลาย <S <S 2> <S 2> เมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมู่เนื้อเป็นอามากก็พากันมาตายเสียจนเบาบาง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ยังมีบุรุษอีกคนหนึ่งปรารถนาประโยชน์ค่ายความเกื้อกูลค่ายความปลอดภัยแก่หมูเนื้อเป็นอันมากเหล่านั้นเขาก็เปิดทางที่ปลอดภัยสะดวกไปได้ตามชอบใจให้แก่หมู่เนื้อนั้นปิดทางที่ไม่สะดวกกำจับเนื้อต่อแล้วก็เลิกนางเนื้อต่อออกเอานื้อเอาเนื้อต่อออกไปไม่ให้เ <kuin> ป็นหลงกลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมู่เนื้อเป็นอันมาก จึงถึงความเจริญมั่งคั่งล้นหลามแม้ฉันใดดูก่อนพิกูจทั้งหลายข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราได้ทําขึ้นเพื่อจะให้พวกเธอรู้ความหมายของเนื้อความก็โดยอุปมานั้นมีความหมายดังต่อไปนี้ดูก่อนพิกูจนทั้งหลายคําว่าบึงใหญ่เป็นชื่อของกามคุณทั้งหบึงใหญ่ที่มูลเนื้อทั้งหลายที่ปราถนาจะไปอยู่ไปกินไปนั่นกันเนะ่ยเหมือนกามคุณเนหะมือนรูปรสกินเสียงนะ ที่สัตว์ทั้งหลายกําลังหลงไหลเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันมีคนไม่หวังความเกือ้อกูลให้กับเราอยู่ไม่หวังความสวัสดีให้กับหมู่เนื้อมีอยู่ก็เปิดทางใช่ไมเปิดทางที่ไม่เกือ้อกูลให้ไปหลงตายกันอยู่ในนั้ น, นในบึงนั้นเนี่ยแต่ไปปิดทางที่นั่นเือเขาไม่รู้ทางนั้นคำว่าหมูเนื้อเป็นอันมากเป็นชื่อของหมูสัตว์ทั้งหลายในกาเมาพบรูปพบอารมพบเนี่ยโดยเฉพาะในกามภูมิเนี่ย แล้วบอกว่าคําว่าบุรุษผู้ปรารถนาความพินาศประสงค์ความไม่เกื้อกูลนะ่ะจำ侬หมายความไม่ปลอดภยัยเป็นชื่อของตัวมารผู้มีบาปกลุ่มของมารทั้งหลายนะทั้งเทวปุตตมารมัจจุมารกิเลสมารอภิสังขารมารมองเห็นไหมขันธมารมารเหล่านี้นี่แหละเป็นเป็นสิ่งล่อคําว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของทางผิดทางผิดที่ประกอบด้วยองค์8นะ่ย มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเนี่ยนีทางผิดทีนี้คําว่าเนื้อตัวผู้นี้เป็นชื่อของนันทิราคะคือความเพลิดเพลินความยินดีคําว่านางเนื้อต่อนี้เป็นชื่อของอวิชานะเป็นเครื่องกลางกั้นนะคำว่าบุรุษคนที่ปรารถนาประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความปลอดภัยแก่หมู่เนื้อเหล่านั้นนั้นหมายถึงเราแตถาคตรึง หมายถึงพระพุทธเจ้าอะรหันตสัมมาสมพุทธเจ้านี่หมายถึงบุรุษที่หวังความปลอดภัยคําว่าทางอันปลอดภัยสะดวกเป็นไปด้วยความชอบใจนี้เป็นชื่อของอัยยมารวิองแปดสมมาทิฏฐิสมมาสังฆปาสมมาวาจาสมมากรรมันตะสมมาอชิวะสมมาวายมะสมมาสติสมมาสมาธินี่ทางปลอดภัยไงดูก่อนพิกทักษหลายด้วยดังกล่าวนี่แหละเป็นอันว่าทางอันปลอดภัยซึ่งเป็นทางสวัสดีเป็นทางที่พวกเธอ ไปได้ด้วยความปราบปื้มเราได้เปิดเผยเราได้เผยให้แล้วปิดทางที่ไม่สะดวกไว้ด้วยน่พระพุทธเจ้าทำไว้หมดแล้วเนื้อตอก็ได้กาจัดให้คือกจัดให้แล้วนางเนื้อต่อใช่ไหมทั้งนางเนื้อต่อทั้งตัวผู้แล้วก็ได้สังหารไว้เรียบร้อยแล้วคือพระองค์สังหารไว้แล้วอวิชาตันหาต่างๆเาเนียนะดูก่อนพิจตรหลายกิจอันใดที่าศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์ เกื้อกูลเอ็นดูอาศัยความอนุเคราะห์แก่เราสาวกจะพึงกระทํากิจอันนั้นเราทําแก่เธอทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าทํากิจของพระองค์สมบูรณ์แล้วนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษไม่มาอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังนี่เป็นคำพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายถามว่าพระพุทธเจ้าของเราทําสมบูรณ์ไหมย่อมตัวสมบูรณ์แล้ว เหลือพวกเรายังลังเลอยู่นะทางนี้มันดีหรือมันสวัสดีจริงไหมอะไรเงี้ยมองเห็นใช่ไหมเนี่ยงั้นพระพุทธเจ้าจึงสมบูรณ์หมดแหละเวลาพระพองค์ตรัสอะไรถึงบอกว่ายังเตือนด้วยนะบอกใครอย่าได้เดี๋ยวจะเสียใจใครเราแล้วบอกโอ้ยรู้อย่างนี้เชื่อพระเจ้าแต่ตีแรกก็ดีแล้วไม่น่าจะทรมานขนาดนี้เลยเพราะในขณะที่กำลังทรมานอยู่ใช่ไหมแล้วบอกโอ้ยทําไมกูเป็นอย่างนี้ทำไมตอนนั้นทําไมไม่เชือ่เอเหมกันกัน รูอย่างนเรียนวิถีจบก็ดีไปแล้วยอมตัว ย, ย้ำตัวต้องรีบทองวิถีแล้วต้งต่อไปจะได้มีวิธีคิดที่จะกําจัดนี่เป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปขึ้นตัทนุวติกะมโนทวารวิถีในตัทธนวัติกามโนทวารวิถีต่อเนี่ยอตีตากฆานวิถีดูในหน้าที่สิบหกต่อจากครั้งที่แล้วนี่แหละ ถ้าในจักขคูทวาริกะอติมันตะระวิถีในจักขุทวารวิถีเนี่ยนะในจักขคูทวารวิถีวิถีจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เมื่อรูปารมณ์สามชนิดดับลงแล้วที่ เ, เกิดที่อุปาทัศนาของอตีตาผะวังแล้วก็ไปดับที่ตาทารำนาดวงที่สองอารมณ์ก็ครบสิบเจ็ดขณะจิตแล้วก็ดับลงกามชานะยี่สิบเจ็ดก็ จ็บอารมณ์ในวิถีนั้นตามลําดับก็เริ่มตั้งแต่ผวังอตีแต่ผวังผวังกัจล ана ผวังคู่ปเจทะปัญจทวาราวชนะนี้โดยคําแปลท่านแปลว่าไงเนี่ยปัญจทวาราวชนะนี้แปลว่าไงแปลว่ า, า, า, าอะไรพิจารณาพิจารณาอะไรปัญจทวาราวชนะตัวอาวัชนะตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวอะไรอาวัชนะตัวนี้เนี่ยก็แปลว่า เป็นบางทีท่านใช้คําอย่างนี้ท่านบอกว่าจิตที่ชื่อว่าปัญจทวารวัชนะเพราะอัตวารำพึงถึงอารมณ์ที่มากระทบรำพึงถึงอารมณ์ที่มากระทบทางปัญจทวารทั้ง5มีจักขุทวารเป็นต้นหนึ่งในที่นี้คือจักขุทวารคํานึงถึงในอารมณ์ที่มากระทบนั้นหรือไม่ให้ความสืบต่อของจิตเป็นไปด้วยอํานาจแห่งผวังให้น้อมไปในไหน ให้น้อมเพื่อความเป็นวิถีจิตได้แก่กิริยาอเหตุกามโนธาตุเนี่ยนะตอนนี้เป็นกิริยาใช่ไหมเป็นอเหตุกาใช่ไหมเป็นมโนธาตุใช่ไหมนี่ก็เรียกกิริยาอเหตุกามโนธาตุคือปัญจาาทวารวัชนาเนี่ยอักของท่านก็คือรำพึงถึงในที่นี้รำพึงถึงอะไรเนี่ยรำพึงถึงรูปารมณ์สามชนิด น, นะฮะรำพึงถึงรูปารมณ์ที่เป็นอติอิทาอิทามาชตะและอนิธาเพื่ออะไร เพื่อที่จะไม่ให้ผวังเกิดต่อเพื่อที่จะให้วิถีจิตเป็นไปเมื่อรำถึงรำพึงถึงรูปารมณ์สามชนิดถ้าเป็นรูปอารมณ์ที่ถ้าเป็นรูปารมณ์ที่เป็นสภาวะที่เป็นอตีถะ <S <S ก็เป็นอนันตรปัจจัยให้กับกุศลจกักขุวิญญาณไปแต่ถ้าหากรำพึงถึงอารมณ์ที่เป็นอิทธามชตะก็เป็นอนันตระปัจจัยให้กับจกักขุวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากไปเหมือนเดิมหรือถ้าหากรำพึงถึง อารมณ์ที่เป็นอนิจธาก็เป็นปัจจัยให้กับอกุศลจกขูวิญญาณไปทีนี้ปัญจทวารเราชนะนี้เกิดร่วมด้วยเวทนาเลยอุเบขาวเวทนาจากคูวิญญาณเกิดร่วมด้วยเวทนาอะไรอุเบขาวเวทนาทําไมจึงได้แค่อุเบขาวเวทนาก็ต้องบอกอย่างนี้รูปารมณ์ที่จะมาเข้าสู่คลองของทวาร น, นี้กระทบกับศาทอะไรกระทบกับโรคอะไรปรากฏที่รโรคอะไรจักขู่จักขูปราท รูปารมกัจักรคุป萨ตใช่ไหมไปชุมกันเนี่ยมอใช่ไหมเข้าสู่คลองของจักรคุป萨ต ร, รูปารมเป็นอุปาทายรูปจักขุปส萨ตก็เป็นอุปาทายรูปอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปาทายรูปเวลากระทบกันเนี่ยนะเขาทุพพลภาพทั้งคู่ทุรพนใช้คําว่าทุพลพนดีกว่านะมีกําลังน้อยกําลังมันซ้ำนั่นเองเมื่อกําลังซ้ำจึงไม่สามารถเป็นปัจจัยเกิดสมนัติได้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดได้เพียงอุเบกขานะครับ ก, ก็ให้พิจารณ า, านี่เห็นใช่ไหมปัญจทวารจากขูวิญญาณสมปฏิชนะก็เป็นอุเบกขาก็ในญาณนั่นแหละก็ในายาณนั่นแหละนะให้เข้าใจอย่างนั้นจะไปบอกว่าเออแล้วถ้าเป็นปัจจัยกับ ก, กายยวิญญาณแล้วทําไมเป็นปัจจัยให้กับทกเขเว ท, ทนทกกายกับสุกายเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะเรียนมา몽 ม, มา ก, กันขนาดนี้แล้วเพราะอะไรอ่ะใช่ไหมทําไมไม่เป็นอุเบกขาลราเพราะว่าเอ๊ะมันก็น่าจะทุเลาพล แต่ลองสังเกตดูเตี้ยวบอกว่าทางกายยะประสาทเนี่ยกายยะทวารเนี่ยเขากระทบที่ไหนอะไรมากระทบปัทวีเตโช ว, วาโ ย, و, ยางไงมหาโพธรูปมันกระทบกับมหาโพธรูปฉะนั้นมันจึงมีกําลังมากจึงสามารถเป็นปใจใัจจัยเกิดสุขและทุกข์ได้นี่ยให้รู้อย่างไงมองเห็นใช่ไหมเวลาโพธพารมมากระทบทางกายยะประสาทเป็นต้นเนี่ย จึงเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ได้จะบอกเอ๊ะทำไมไม่ยืนดีบุเบขาบอกอา้าวมันมีปัจจัยแบบนี้ก<ม>ารศึกษาพระธรรมก็ต้องค่อยๆศึกษาไปรจริงๆนะกว่าจะได้รายละเอียดนี้ยุ่งกันนะ่ยตอบผ่านตัว น, นี้นะก็มาตามลำดับนี่คือรูปารม3์าชนิดก็ในที่สุดจริงก็ดับลงนั่นแหละแล้วต่อมาก็คืออตีตักข้าววิถีก็หมายความว่าเป็นวิถีที่รับปัญจารมณ์ที่ปัญจ ทวารวิถีรับมาแล้วก็เอ่อที่จักรคูทวาริกาตีมหันตารมวิถีรับมานี่ก็เป็นปัจจุบันสันตติดังที่ได้กล่าวให้สังเกตดูโยมตัวจักรคูทวาริกาตีมหันตารมวิถีเป็นกาเมชาณายิบเเว้นโทสาสองพอตีตักขณาวิถีก็เป็นกาเมชาณายิบเเว้นโทสาสองเหมือนกันเลยนะต่างกันตรงนี้ทางนี้ทางมโนพอถ้าทางมโนเนี่ยดูตรงไหนให้ดูคําว่ามโนทวารลวชนะจิต เ้าแปลว่าจิตที่ชื่อว่ามโนทวารวัชนะเพราะอัตวารำพึงถึงอารมณ์รำพึงถึงอารมณ์ที่มาสู่ครองในมโนทวารนั้นด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ที่ได้เห็นที่ได้ยินและที่ได้รู้เป็นต้นนะหรือน้อมจิตตสันดานไปโดยในที่กล่าวได้แก่จิตที่เกิดตู้เบกขาฝ่ายกิริยาอวาธฏนธในไหนเพราะอัตว่ากาหนดตัดสินอารมณ์ตามที่ใคควรมาแล้วในทวารทั้งหานี่นี่ดูทิ มโนทวารวัชนะถ้าไปทําโวททพนกิจอย่างนั้นคําว่าโวททพนาเพระอัฏฐว่าตัดสินตัดสินอะไรตัดสินปัญจารมณ์แต่ในที่นี้ตัดสินรูปารมณ์สามชนิดนั้นตัดสินอย่างไรถามว่าตัดสินยังไงกําหนดตัดสินอารมณ์ตามที่ใครครวญมาแล้วแสดงว่าใครครวญตัวนี้เป็นตัวใครครวญนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวโวททพนาเนี่ยใครครวญเป็นใครครวญดีหรือไม่ดีแล้วแต่ไงแล้วแต่ ถ้าไข่ครวนแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลจิตนี่ใคร่ครวนไม่ดีแล้วแต่ถ้าไข่ครวนแล้วเป็นปัจจัยเกิดกุศลจิตจิตมีไข้ค ร, ครวญดีถ้าพารหารันท่านก็ไข้ครวญดีโดยสมบูรณ์โดยปกติโดยอัธยาศัยเพราะชีวิตของท่านกว่าจะมาถึงวันนั้นได้ท่านไข้ครวนมามากในวัตฏะที่ผ่านมาบางทีเราอาจจะเห็นท่านบารรลุง่ายๆปุ๊บปบุเนี่ยถามว่าอดีตท่านไข่ครวนมาแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมตรงนี้ต่างหาก แปลว่าคนที่จะบรรลุได้ก็จะต้องวนะัฏถนานั้นไข่ครวนเป็นโยนิโสโมนสิการมานานมากอย่างพระพุทธเจ้านะ่ะเพียรพยายามทําโยนิโสโมนสิการมาเสียสงไข่ลองคิดดูเออตรงนี้สําคัญมากเรื่องการไข่ครวนในการทําวัฏถนะทำโยนิโสมนสิการคือไข่ครวนในการตัดสินอารมณ์ในในวัฏถนะนีน่ทางปัญจาเนี่ยก็ตัดสินได้ทั้งหมดนั่นเลยก็ใไข่ครวนไข่ค ร, ครวนแล้วในไข่ค ร, ครวน ไข้ควรแล้วในถวาวรทั้งกําหนดตัดสินอารมณ์แต่ว่าจะไข้ควรเป็นโยนิโสมณิสการหรืออโยนิโสมนณิการก็อยู่ที่อัธยาศัยของแต่ของท่านผู้นั้นในปุเพกตาปุญญาตาใช่ไหมปฏิรูปรเทสวาสะแล้วก็สัพุริสูปนิสยะแล้วก็สัตธ ร, รมมัสวรนณะเนี่จะเป็นปัจจัยแก่โยนิโสแต่ถ้าหากว่าอปุเพกตาปุญญาตา หรว่าอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรครบอาศัตบุรุษแล้วก็ฟังอาศัตธรรมเสร็จเลยเนี่ยจะจเป็นอโยนิโสมันมาจากปัจจัยตัวเนี้ครัโยนิโสหรืออโยนิโสมันมีปัจจัยตัวนี้แล้วในปัจจุบันเป็นอัตตาสัมมาปณิที่ไหมตั้งตนในที่นั้นคือตั้งจิตเนี่ยก็มันอยู่ที่เราจะใคร่ควรถูกหรือผิดในตอนนี้ไม่จริงครับบางทีบางทีมันมันมันไข้ควรในอดีตมาดีแต่มาตั้งมาอะไรนะ่ยเขาเรียกว่า มาตั้งจิตผิดในปัจจุบันอาทําไมล่ะที่เขาเขาเวียนรอบเจดีย์ทำไมมีคนบาปเต็ไมไปหมดล่วบางดีมองเห็นไหมเขาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าทําไมคนได้บาปกันเยอะตกนรกกันก็เยอะนะครับไม่ใครเดินเวียนรอบเจดีเนี่ยไอไปบุญก็ไปได้บุญก็เยอะอตกนรกก็เยอะเนะก็คือต้องตั้งจิตต้องเป็นอัตตาสัมมาปณิทิต้องตั้งจิตไว้ชอบตั้งยังไงตั้งจิตไว้ชอบอตั้งยังไงตั้งตนนี่คือตั้งจิต เขาบอกจิตพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนโจรโจกเจอโจรโจบไอหัวหน้าโจรเจอหัวหน้าโจรเนี่ยมันเสียหายไหมเวลาเจอกันแล้วถ้าไปรวมกันก็วิบัติเลยนะเนี่ยแล้ถ้าไปทะเลาะ ก, กันก็ค่ะก็ต้องดูดูก็ก็มันมีอย่างนี้ก็อย่างมันมีสอง ม, มุมอีกมุมหนึ่งคือตั้งอธัธยาศัยมาถูกเนี่ย ถึงแม้ว่าสติปัญญาไม่ดีอะไรไม่ดีแต่เขาตั้งถูกไว้เนี่ยเขาไปได้ดีเนี่ยแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งสติปัญญาดีจริงเดี๋ยวมาทรงจําว่าตรัยปีดกทรงจําอะไรได้เด๋ตกนรกก็เยอะเอาดิก็ยังกลุ่มกับปิราภิคุณเนี่ยก็ลื่นจะอยู่ใกล้พระอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระธรรมกันแต่ทําไมตกนรกก็ตกตกไปต่ําด้วยตกเอเวจีหนุน่นเพราะที่สุนจริงไปกล่าวตู่เนี่ยว่เสียหายอีกอะไเนี่ยโอ้อยู่ดีๆก็เอาไปเผาตัวเองเลย คือคนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่กลัวบาปลาบสกาละเสียงสารเสริญเยือนยอบางทีมันเผาจิตมันเผานั้นถ้าไม่ระวังเนี่ยทุกเวลาเนี่ยถ้าตาบใดที่เรายังมีจิตที่เป็นบาปเกิดได้อยู่เนี่ยถ้าในขณะบาปเกิดเรียนพระธรรมก็ผิดแล้วใช่ไหมนั่นก็ต้องคอยระมัดระวังกันไปทีนี้คนบางคนเขาสติปัญญาไม่ค่อยดีเนี่ยเขาบาปไม่ค่อยเกิดเขาเชื่ออย่างเดียวหมอ่งไหม เขาไม่ค่อยละแวงในพระสัทธรรมของค์พรเจ้าเนี่ยเชื่ออย่างเดียวพระเจ้าว่าไงทําทำทำทำไอ้เขาได้ดีได้เนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้มักจะได้ดีนะครับไอ้กลุ่มเรียนไปละแวงไปเรียนไประแวงไปนี่สิถ้าใครเป็นอย่างนั้นก็ต้องระวังตัวเองหน่อยนะประเภทเรียนไปอือไอ้อย่างเงี้ยประเพทที่ไปสงสยัยสงสัยอย่างนี้ต้องถูกพูดอย่างนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยมันมันเคยมันเคยเชื่อความเห็น ทั้งๆที่ความเห็นของตนเองเนะี่ยไม่เคยถูกเลยนะถ้าวัดกันในสัจจะเนี่ยไม่ใช่โอ้ต้องระวังมากเลยอาจารย์เป็นมาเยอะถึงรู้ตัวเพียงพอต่อการที่จะออกแต่ว่าอา๋ออันไหนมันคุณธรรมของพรวสดาบันนะที่เราว่าเราออกกันแนะ่ <c oughs> ออกได้เป็นพระโสดาบันปิดอวัยวุมน่ะมันะไม่ใช่ <c oughs> ก็ลองคิดดูใช่ไหมจักระพัดเนี่ย <c oughs> นะที่วานนิถามโยนตุย้ยวสดาบันกับจักระพัดเนี่ยเอาอะไร บอกเอาโสดาบันนะเชะถามว่าโสดาบันประเสริฐกว่าจักรพัทจักรพัทนี่ปกครองสี่ทวีปชมพูทวีปอุตรกุลุทวีปปุกพวิเทหะอัปราคโคยานทวีปแล้วจะไปนู้นขึ้นไปเดาดึงก็ละ่ะขนาดว่าพระเจ้าบารทายตุราชไปอยู่บนเดาวดึงจนจนท้าสกะตายไปทั้ง36องค์นั่นแหะคืออนุภาพของและมากกว่านั้นด้วยแต่ไม่มีจิตฤทธิ์ยาและไปล่วงตายสวรรคตนกศนั่ ดูดีเนี่ยดูจกักรพรรดิขนาดนั้นนะคนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี่แต่คําว่าพระเจ้าจากักรพรรดินี่เทียบกับพระโสดาบันเนี่ยแบ่งพระโสดาบันออกเป็นสิบหกเซี่ยวและเอาเซี้ยวที่สิบหกอ่ะแบ่งออกอีกเป็นสิบหกเซี่ยวไม่ได้หนึ่งเซี่ยวของเซี่ยวที่สิบหกของการแบ่งออกมาแล้วจกักรพรรดิราศีเทียบไม่ได้เลยนี่คือโสดาบันนะไม่ใช่ธรรมดานี่ยอแล้วคนลุกหน้าอยากได้ดูมัางมั้ยมั่งหไหมพระเจ้ามันทาตุราศเ น, นี่ยตกนรก นรกอนุภาพขนาดนั้นน่ยตายแจะตกนรกไปตกนรกทั้งหลายภพดูทีเยียวถือโอ้ไม่ได้เลยเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องภพชาตินี่แท่านคำว่าโวอดทพนานี่เป็นอาวชันเออเป็นเป็ น, ปนโยนิโสก็ได้เป็นอยโยนิโสก็ได้นะเป็นปัจจัยถ้ามาดูทางมโนทวารวิถี ไ, ไหมนะทางมโนทวารวิถีเนี่ยตัวไหนเป็นมโนทวารผวังผวังกัจรณนะ เขบอกว่าผวังคูปเชทานี่แหละนี่แหละผวังคูปเชทานี่แหละเป็นมโนทวานที่เรียกว่าเป็นมโนทวานนั่นเพอเป็นปากทางดําเนินไปแห่งวิถีจิตใช่ไหมเพราะผวังคจิตที่เป็นอนันตระปัจจัยเนี่ยชื่อว่าอาวัเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นอนันตระปัจจัยแก่อวชนะจิตเนี่ยชื่ออมโนทวานเนี่ยนี่เขาเรียกเป็นปากทางเลยเนี่ยผวังคูปเชทานี่เป็นปากทางให้กับวิถีจิตใช่ไหม เป็นประตูให้กับวิถีจิตเป็นอนันตระปัจจัยให้กับอาวชนะอาวชนะในที่นี้คือมโนทวาราวชนะเพราะเขาสามารถเป็นอาวชนะให้กับปัญจทวาราวชนะก็ได้เป็นอาวชนะให้กับมโนทวาราวชนะก็ได้ฉะนั้นถ้าบอกมโนทวาราวชนะนี่หมายถึงอะไรเพราะอัถวรพ์ลำพึงถึงอารมณ์ที่มาสู่ครองในมโนทวารด้วยอานาจของอารมณ์ที่ได้เห็นที่ได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะ อันนี้คืออํานาจของอารมณ์ที่ได้เห็นใช่ไหมที่ได้เห็นเห็นในไหนเห็นในจกักขคูทวาลิกะอติมานตารมวิถีใครเป็นคนเห็นจกักขคูวิญญาณทําทัศนกิจใช่เราเห็นไหมเนี่ยเขาบอกเรียนกิจเมื่อกี้ยังดูกับท่านมานุชิตเลยยังเชี่ยมานุชิตดูเรียนกิจเพื่อจะได้ถอนไอความสําคัญว่าเราเห็นไอที่เราเรียนกันนมันต้องเรียนอย่างนั้นใช่ไหม ยอมตุยที่เห็นนะใครเห็นจกคูวิญญาณจกคูวิญญาณทำทัศนกิจคือเห็นไม่ใช่ยมตุยเห็นท่้นยมตุยบอกว่าถ้าบอกวันนี้ก็ก็เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่แล้วจกคูวิญญาณนะทำทัศนกิจสัมปติชนธรรมสัมปติชนากิจสันติรณธรรมสันติระนากิจวธฒนะทำวัฒนะกิจชาวนรรมชาวนากิจและตาารรมนะก็ทำตาธาธรรมนากิจไม่ได้เตียง ร้องไห้สำนวนคนที่อยู่บนเตียงร้องไห้เนะ่ยได <c oughs> อ้อย่าไปบอกว่าจักขคุปสตัตเห็นไม่ได้แต่ว่าจักขคูวิญญาณที่อาศาัยจักรคุปสตัตต่างหากเห็นก็ต้องแยกให้ออกศึกษาวัฒธรรมแล้วก็ต้องแยกให้ชัดตรงนั้นจริงไหมโยมดูอย่าไปบอกจกักรุปสัตเห็นเพราะเป็นรูปรูปอารมณ์ก็เป็นรูป จักขูวิญญาณต้องหากทาทัศนกิจและวในขณะเดียวกันก็ต้องแยกด้วยว่าไม่ใช่เราเห็นเรดังนั้นแหมมันจบอยู่นั่นแหละจริงไหมชายัยานมองเห็นไหมบางทีเราเห็นอยู่เลยใช่ไหมแท้จริงคือใครเห็นบอกจักขูวิญญาณเห็นดีได้แยกออกใครกโกรธเอาตัวมาต่อไปใครกโกรธโทรศัพท์ชาวนะานั่นแหละกโกรธไม่ใช่ไม่ใช่ยอมตัวกโกรธนะ แล้วเราจะไปตามใจเขาทําไมในตัวศาสตรชาวนะเนี่ยอ่าแล้วเราก็ไม่มีก็อีกเอ้าถ้าว่า ง, างยุ่งเลยตอนนี้เรื่องหลังจะเอาเราก็ไม่เรากันอยู่นี่ป้่มกันที่นี่นะต่อสู้กันน้าเข้าหน้าเข้านี่ไปนี้ก็ว่าจะเรียนพระธรรมมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านทะเลาะที่บ้านเลยนะเขาวงนันแล้วตัวแยกออกอย่างตอนนี้เพิ่มเห็นนะคือกิจต้องต้องชํานาญ กิจ ด, ด้วยฐานด้วยถ้าคนทั้งกิจและฐานชำนาญ น, นี่ก็จะจะจะจะจะดีเราเรียนวิถีนี่ก็จะมองเห็นทะลุเลยแต่เนี้ยโอ้ไม่มีเราเลยนี่ไม่มีเร า, าอยู่ในนั้นเลยมโนทวารชนะนั่นแหละท่านเรียกว่าโวอดทปนะก็ได้เพราะกาหนดตัดสินอารมณ์นะทีนี้ถ้าในที่เนี้ยมโนไอพะวังคุปเฉยท่าเป็นอนันต ร, ประปัจจัยแก่มะโนทวารชนะในอตีตาคานาวิถี ในอธิตะขณะวิถีเนี่ยนะนั่นคือตัวมโนทวารเป็นทางดําเนินไปของวิถีจิตทั้งหลายแต่นี้มโนทวารลวัชนาเพราะอาจจะัตวาลำพึงถึงอารมณ์ที่มาสู่ครองของทวาร น, นั้นๆด้วยอํานาจถึงอารมณ์ที่ได้เห็นที่ได้ยินและที่รู้เป็นต้นนี่นะหรือน้อมจิตสันดานตามในที่ได้กล่าวน้อมที่นี้มณะมโนนิยมเป็นน้อมก็ได้ตรงเนี้ยหลังตัวนี้เป็นอวัชนะด้วยไหมเป็น นะมโนทวารลวชนะเนี่ยเป็นโยนิสโสมมนัสิการก็ได้เป็นอโยนิโสมมนสิการก็ได้นนนไดในที่นี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะวิชวนะปฏิปาธกะมนัสิการมนัสิการที่ทําให้ชวนะเป็นไปตัวนี้นะเขาบอกมนัสิการที่ทําให้ชวนะเป็นไปเป็นกุศลชาวนะก็ได้อกุศลชาวนะก็ได้มีสองด่านเลยนะด่านแรกทั้งโวธทปนะด่านที่สองมนโนทวารลวชนะดูสิเนะี่ยถ้าหาก ปัญจาทวารวิถีเป็นเป็นโทสะแล้วไม่ต้องบอกมโนวทวารวิถีที่เกิดต่อเดี่ยวนั้นก็ต้องโทสะแต่ในที่นี้เป็นกามชาชอนะยีบเจ็ดเว้นโทสะก็ต้องเป็นก า, มาวมาชอนะยีบเจ็ดเว้นโทสะสถ้าพห่าว่าจากขูทวารวิถีเป็นโลภาดงที่หนึ่งนอะไอที่เกิดต่อก็ต้ อ, ตองโลพาดงที่หนึ่งไนดะย่อมตัวเกิดหลายหลายแสนผิดพลาดแล้วบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเร า, เ, าเดี๋ยวขึ้นจากขู่เดี๋ยวลงมโนลราตัดสินเราแยกแยะยากมาก ไม่ไม่ทันแล้วเขาเร็วกว่าที่เราจะตัดสินใจทำทางเงื้อง้าพยายามจะตัดสินเขาแล่นเป็นกรรมไปหมดแล้วสมริดผลไปหมดแล้วขนาดนั้ น, นบาปแล่นเร็วบุญก็แล่นเร็วถ้าบาปเกิดบุญเกิดเนี่ยอนุภาพต่างกันเลยนะถ้าบุญเกิดอนุภาพจะมากถ้าบาปเกิดอนุภาพน้อยกําลังบาปน้อยกว่าบุญคืออย่างนี้เราสังเกตดูที่ว่าอนุภาพของบุญเนี่ยมากยิ่งเนี่ย อย่างเช่นถ้ามหาอกุศนเกิดขึ้นใช่ไหมให้วิบากเท่าไหร่มหาวิบากแปดกับอเยตุกขาวิบากอีก8ดเป็นเท่าไหรสิบหกใช่ไหมอกุศลสิบสอให้วิบากเท่าไร่ให้เจ็ดเองน้อยกันไหมอกุศลวิปากขจิตเจ็ด ไ, ได้แค่นั้นนะโดยงนี้น้อยแต่มากเนะแต่นั่นแหละถ้าดูอย่างนี้คือวิบากต่างกันนให้สังเกตดูอย่างนี้ถ้าบุญเกิดได้พอๆกับบาปคนคนนั้นจะ ไปดีเท่าวันได้ทีนี้ขนาดบาปมันเกิดมากขนาดนี้บาปเนี่ยมันซามกาลังนะอย่าลืมเนี่ยมันต้องเกิดติดต่อติดต่อติดต่อติดต่อครับถ้าบุญเกิดสักครั้งหนึ่งเนี่ยโหว่าไปนานเลยนะมันห่อตัวหยุดตัวไปนานเลยนะแต่มันต้องอาศัยเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยมันก็กลัวพวกมันหมดเพราะบาปเนี่ยที่มันมันมันนะมันมันทุรพลจริงๆแล้วมันทุรพลแต่ที่มันมีกําลังเพราะมันเกิดบ่อย พราะมันเกิดบ่อยๆก็ลองอัธยาศัยของสัตว์โลกก็น้อมไปในบาปมากก็น้อมไปในบุญอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าลองน้อมไปหาบุญที่ตองน้อมให้เป็นที่เอายงี้เจอหน้ากันเนี่ยเจอหน้ากันน่ยคุยอยู่สองตั้วบอกทำกินอยู่สองอย่างคุยพระธรรมถ้าจะออกจากพระธรรมปุ๊บจะไปพุยเรื่องบุคคลอื่นเรื่องกองทัพเรื่องอะไรต่งางๆนี่หยุดเกิดต่างคนต่างนิ่งหันหน้าออกหนีกันเลยเงี้ย หันหน้าหันหลังให้กันหนีเลยถ้าทําได้อย่างนี้สิคะเนี่ยคือทําตามคําสอนของเรามันพุทธเจ้าว่าง น, นพะพาที่ทําอย่างเนี้ทําตามคําสอนของเราถ้าจะคุยว่าทำเนะี่ยคุยแต่ถ้าไม่คุยว่าทำต่างคนต่างเดินหลบไปไหนกันเลยพระองค์ให้ทำกิจสองอย่างนะถ้าจะคุยเรื่องอื่นให้ต่างคนต่างนิ่งเลยนิ่งเลยให้อยู่ในใจทําได้ไหมถ้าทําได้เนี่ยทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าโยมสรีทำได้ไหมนะ พอจะพูดบาปปุ๊บหยุดเลยหยุดหยุดทันทีเพราะบาปนี่แล้วบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นในเวลาเราคุยพระธรรมเนี่ยคุยได้สองสามคำหนักเข้าเอาเรื่องคนอื่นเนี่ยมองไหมถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ทําตามคําสอนเขียนก็ว่าเว้ยเนี่ยพุทธเจ้าให้ทำกิจสองอย่างสนทนาทำจริงๆนะอย่าทําปนอะไรนะอย่าทำมาปนอะไรเสียสีคนนะมันมีนะบางที่เอาพระธรรมตั้งยิงเดียวเอาบุคคลมาเสียสีเนี่ย มันสนุกถ้าคุยอย่างเงี้ยมันมันดีก็ว่ามีน ค, คนบางคนโง่คนเพลินอยอมต๋ย ว, ว่าทํายากไหมยากใช่ไหมยากตอนนี้ ก, กําลังจะพูดถึงไอ้ตัวมนโนทวารราชนานเนี่ ย, ยปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมปัญหาตรงไหนมาชิ้สังเกตดุไหมที่เราเราอัตยาสายเราเราทําตรงนี้กันไม่ได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมปุเพกตบปุญญตาไม่ดีใช่ไหมอ่ะตรงนั้นก็เสียไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วบุญแน่ดีอ่ะ ทีนี้ถ้าปัจจุบันใช่ไหมมาปัจจุบันเอาเลือกก็ต้องเลือกอย่างแรงนะอะที่ตรงนั้นน่ะมีมีมีบัณฑิตอยู่มีสัตว์บรุษอยู่ตรงนี้ถือว่ามีแล้วมีพระพุทธเจ้าไงพระไตรปิฎกเนี่ยครนะบพระพุทธเจ้าให้มากเลยใช่ไห ม, มาเจออะไรบับคว้าพระไตรปิฎคว้วาคําสอนพระเจ้าไว้ก่อนอ่านอยู่นั้นแหละหรือว่าสนนานากับพระว่าทกับเพื่อนกับยาณมิตรปะถ้าทําอย่างเนี้ยอย่างนี้มีโอกาสได้จะได้โยนิโสมนสิการ มีแต่เอาไปทำมาพูดมาอะไรต่างน้องตึกอธัธยาศัยแบบนี้ดูดิฝึกอธัธยาศัยแบบนี้ดูดิอะไรจะตามมาแต่แต่ไม่ได้ทําปุ๊บล้มเหลวทําปุ๊บล้มเหลวเนะตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งจิตใหม่บ่อยๆก็น่าเข้าชนานํานาญก็ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทุกคนก็มากันแบบนี้ทั้งนั้นโอโหเอางี้เราดูอย่างองค์ปุริมันเนาะจิตท่านน้อมทําบาปดูดิเนีย่ยน้อมทําบาปขนาดหนั่งเน้นเนี่ยนะยังเดินออกได้น้อมทําบาป ขนาดนักแต่ว่าท่านชาติสุดท้ายนะครับแต่นั่นแหละดูท่านไว้น่ะดีตดูกรรมนะไอ้คนจะก้อนหินเบี้ยงไก่ให้ย้อมต๋ไก่อยู่ทั้งเนี้ยกว้างไว้ท้งเนี้ยก้อนหินลอยก็โดนไม้โดนลุยเข้าหัวท่านดูที่บาปโดนก็ถูกต้นไม้ถูกอะไรมันกระดอนบางทีเนี่ยเห็น ไ, ไหม โยนอะไรลงมาเนี่ยเออท่านมาบินนบาดพอดีเงี้ยเต็มหมดเลือดเลือดกลับกลับจากกับจา ก, ากที่ที่จะไม่มีเลือดไม่มีดูเลยฮะ ท, ทิศฐานธรรมเวทีนียกรรมครับโอก็ท่านทํามาขนาดนั้นท่านทํามาขนาดนี้อย่างนั้นนะใครเราเป็นคนช่วย โอโ้ถ้าไม่มีพระเจ้าถ้าเกิดผิดยุคแค่นั้นอนะเรียบร้อยแล้ววันนี้องคุลิมานก็องคุลิมานเถอะเรียบได้เลยน เ, เนี่ยเรา่นี้แต่เพี้ยนผิดนิดเดียวไปเลยชีวิตนี้อย่าเพี้ยนผิดเด็ดขาดเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ได้อัตภาพมาสมบูรณ์แบบแล้วแบบนี้อย่าเพี้ยนผิดเนอะเพี้ยนผิดไปเลยเรียกกันไม่กลับแล้วเนี่ยขนาดพระเจ้ากวากมือกวากพระหัตถ์เรียกยังบอกอีกหลวงสุนทรขตาิชวีใช่ไหม โอ้เกิดทันพระเจ้าสติปัญญาก็ดีไงตกนรกเสร็จเลย mm hmm. เอาสินะกลุ่มนี้ปัญญาดีๆกันนั้งนั้ี่ตกนกรกยกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ย mm hmm. คนตกนรกก็ไม่ใช่น้อยนอะไม่ใช่น้อยเนะียคือคนบาปทั้งหลายจะตกนรกมากไอแทนที่จะตกต่ําๆก็พอย ต, ต้องตกสูงเลยเพาคนมีคุณธรรมเนะืคนที่มีคุณธรรมเหมือนพระเทวทัศนะ์นี่ไหมแต่พระเจ้าช่วยเ น, น, นะนี ถ้าหากว่าไม่เจอพระเจ้าพระเทวทัตจะทำนันตเรกกรรมแบบประเภทที่ไม่ได้เป็นพระประเจกน่าคิดนะเขาก็ไม่ได้ตั้งอัธยาศัยการเข้ามาบวชในาศาสนานั้นท่านทําบุญไว้เยอะเนอะอย่าลืมนะพระเทวทัตนอะท่านทําบุญไว้มากจเจริญบุญเอางี้ดีกว่ากว่าจะได้ฌานเนี่ยแปลว่าต้องตรึกบุญขนาดไหนมองอไหมบุญที่ผ่านมาโอ้โหไม่ใช่น้อยๆ น, นะที่กุศลเกิดขึ้นก่อนฌานในจิตของท่านน่ย คำนวณไม่ได้จริงไหมย้ำด้วยนั่นแหละคือประโยชน์แล้วก็ฟังวัสัุธรรมของพระพุทธเจ้าสั่งสมอัธยาศัยบันไดและตอนท้ายอ่ะตั้งอัธยาศัยถึงพระพุทธเจ้าก็ไปตกใบยปูมไปแต่ถ้าหลังนั่นน่ะถูหลังเอเวจีแล้วจะได้เป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้ามีน้ำว่าอัตติสารานะแต่พวกเรายังไม่รับพยากรนะครับพวกเราเนี่ยเผลอ เ, พ, อเ พ, อพระเทวชั์ไปก่อนเราเนะอย่าคิดเนะย อัตยาสายท่านเนี่ยทําไมท่านถึงมั่นใจว่าจะปกครองสงได้พอไหมะสติปัญญาของท่านไม่ใช่ด้อยเลยนะพระเทวทราชเนี่ยไม่ใช่ด้อยเลยนะมีพระสูตรไหนที่จําไม่ได้ล่ะ ม, มีพระธรรมตรงไหนขนาดถึงบอกเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยต้องอย่างนี้ดีกว่าอือยังไม่เคร่งคัดพอใช่ไหมฮะสติปัญญาไม่ธรรมดาเราแล้วคนศรัทธาเยอะพระเทวศน์เนี่ย เนี่ยลาบลาบสกาละก็อย่าให้เป็นโตอยากให้เ็นพระธรรมก็เลยนี่พอหลังจากตรงนี้เน <c oughs> ี่ยพอมโนทวารเราชนะเขาจะเป็นปัจจัยทั้นตรงนี้ที่พยายามเน้นตรงนี้ก็คือทำให้ความเข้าใจตรงนี้เราศึกษากันอย่างเนี้ยทําความเข้าใจด้วยแล้วก็ฝึกวิธีคิดไปด้วยในกรณีของการศึกษาวิถีวิถีนี้คือวิธีเห็นนะ <c oughs> อย่าลืมนะพอเห็นแล้วเนี่ยลงสู่มโนทวารเป็นอตีตักขนะันวิถีราบอาดีตโรภอารมณ์ การตรึกถึงอดีตรูปารมในขนาดนี้นั้นเป็นไปตามปัญญาคมหมดแล้วนะอัธยาสายของท่านบุญนั้นมองสีประเภทนี้แล้วอะไรจะเกิดเนะี่ยสมบูรณ์แบบหมดแล้วเคยชํานาญมากกับรูปารมณ์แบบเนี้ยเมื่อเห็นแล้วบาปเกิดหรือบุญเกิดอย่างนี้เป็นตนน้นนะนะแสดงว่ามาแต่ ว, วัธทพน า, าตัดสินผิดแล้วมโนทวารวัชนะนี่ก็ผิดถ้าผิดก็ผิดมาเป็นแถวนี้ถ้าถูกก็ถูกมาเป็นแถวเหมือนกันนี่ก็รับอดีตรูปารมเกิดแล้วก็ชาวน า, นาเกษตเจ็ดขณะก็เป็นกรรมนะครับ ดังนั้นก็ตรึกลงในกรรมสามชนิดทั้งทิฏฐาธรรมเวทนยกรรมอุเบชเวทนากรรมและอ布าพราเวทนยกรร ม, รร ก, รรมก็ก ก, ก็็พิจารณาไปฉะนั้นเวลาพูดถึงทางปัญจทวารวิถีไปกําหนดกรรมทางปัญจทวารวิถีก็หมายความว่ากําหนดลงทั้งหมดเลยกําหนดลงทั้งชุดของอตีตากขนานวิถีสมูหักานาวิถีอัตถากขนานวิถีและนามะขนานวิถีจริงๆมากกว่านี้ทั้งชุดเลยฉะนั้นจึงกําหนดตรงนั้นได้ เวลาอรรรมชาติาจารย์เนี่ยในพระไตรปิฎกทั่วไปท่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเวลาท่านพูดถึงปัญจทวาร ว, วัชนะาจากักขูญานสัมปติสันติอวกเถรนาชาวนาะเจตขนาดตถารลำนะนั้นพิจารณาได้จริงๆฉะนั้นถ้าท่านกําหนดตรงนั้นได้ปุ๊บเนี่ยมันจะลงก็แปลว่าทั้งหมดชื่อว่ากําหนดแล้วนั่นเองชื่อว่ากําหนดนั่นเองเป็นอย่างนั้นฉนั้นเวลาศึกษาในเรื่องของกิจก็ดีในเรื่องของ ทวารก็ดีในเรื่องของอารมณ์ก็ดีในเรื่องของวัตถุก็ดีเนี่ยก็จะเป็นอุปการะเกศ